เพราะพุทธเจ้านี่ท่านได้ตัดสรู้ใหม่จากนั้นท่านก็สอนพระสงฆ์พอผ่านพันสาบหนึ่งไปแล้วท่านก็มาเทศอุรุเวลาก็จะปานาทีก็จะปขายาก็จะป่คือฤาษีอยู่ในกรุงราชคฤห์นะ่ะเป็นที่เคารพของพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารเนี่เป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่ในกรุงราชคฤห์แต่เขาก็มีคณาจารย์เป็นที่เคารพนับถือ ประจำประเทศของเขาว่างั้นเถอะทตนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านได้ตัดสรูใหม่ท่านก็บอกว่าถ้าจะไปเทศให้พระเจ้าพิมพิสารฟังทีเดียวหนึ่งเขาคงจะไม่ยอมรับเพราะนั้นเราต้องไปเทศอาจารย์เขาซะก่อนให้อาจารย์เขายอมรับซะก่อนเอให้ยอมรับพุทธศาสนาซะก่อนแล้วจึงไปเทศทุกศิษย์อีกทีหนึ่งว่างั้นเถอะอันนี้แนวความคิดของพระพุทธเจ้าเนี่ยอากนั้นท่านก็ไปโปรดชดินสามพี่น้อง อุรเวลาตปะนทีข้ตปะขยะขาศตปะแต่สดินสามพี่น้องนี่พี่ชายใหญ่อุ้รุเวลากตปะมีบริวารหรคนแล้วก็นาทีก้ตปะผู้น้องลงมามีบริวาร300อขยาตปะผู้น้องสุดท้องมีบริวาร200รวมทั้งหมดเป็นพันกับสาสามินเหมือนกันสามสตินคือหัวหน้าสามคนรวมกันลูกน้องพันหนึ่งนน นี่ท่านก็เป็นสำนักขึ้นมาอยู่ในที่แห่งหนึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงราชคือทีนี้พวกชาวกรุงราชคือทั้งหลายก็เคารพเลื่อมใสจัดทายอย่างมากๆมีอะไรก็ปรึกษาปรารถท่านก็มีแต่ภาวนาแบบฤาษีเหมือนกันแต่แตมีกฎธรรมเนียมนะว่าถ้าหากว่าใครเกิดราคะเกิดโทสะขึ้นมาเนี่ยก็ให้เอาดินทรายเนี่ยเอาใส่กระป๋องสองกระป๋องนี่หิ้วขึ้นไปแล้วก็ไปเทใส่กองเอาไว้ คงจะไปตักเอาจากแม่น้ำคงคาแล้วก็หิ้วขึ้นไปไปเทมันคงคงจะดีน่ะนะวะบางทีคนเกิดโมโหโทโซขึ้นมาอยู่พอตักหิ้วกับป๋องซองกับป๋องไปกลัวจะหิ้วไปถือมันก็คงจะ เ, นเหนื่อยความกลัวก็คงจะหายว่างั้นเถอะดีสีนี่ก็ทําถูกเหมือนกันนะเอ่อถ้าว่าใครเกิดความกําหนัดอย่างนี้ก็เอากระป๋องทรายไปตักในฝั่งแม่น้ําก็หิ้วขึ้นไปเทไองกองทรายใหญ่นะ่ะเออ มันก็คงจะดีนะเหมือนกันเถะเทนี้พอเทมากเข้ามากองทรายบ้าบใหญ่ทีนี้คนถ้าเป็นพันใช่ไหมเทนี้มันกเกิดมีพญานาคขึ้นมาไอ้เขาว่าพญานาคเป็นผีเหมือนกันเถะเออลักษณะอย่างนั้นกับเป็นกายยโสธินะ่ะแต่คนทุกวันนี้ก็คงจะว่าเป็นผีแต่ว่านี่ก็คงจะเป็นพญานาครักษาอยู่ในกองกองทรายของนั้นนะ่ะเทนี้พระพุทธเจ้าของเราท่านก็อมองเห็นแล้วว่ารู้เวลานาะทีขยากตปะาสามพี่น้องนี่มีอุปนิสัย ที่จะสำเร็จมรรคผลได้เพราะว่าท่านเคยบําเพ็ญมาในอนดีตชาติจนบารมีเต็มแก่กล้ามา ก, มากแล้วที่นี้ท่านก็เลยเข้าไปไปเขไปหาอุลุเวลากสปะอุลุเวลากปะสับเราจะมาพักค้างที่นี่มีที่พักไหมเฮ้ยที่นี่ไม่มีที่พักกท่านสมณะไปหาพักที่อื่นว่าที่นี่มันเต็มแล้วเพราะแต่ละหลังก็มีลือสีเต็มหมดแล้วไม่มีที่พัก เ, เราเรา ก็เป็นสมณะเหมือนกันตามไม่จริงก็น่าจะหาให้เราสักแห่งหนึ่งไม่ได้เหรอพระพุทธเจ้าวานหาสักแห่งไม่ได้เหรอหาให้เราที่พักสักแห่งไม่ได้เหรอไม่ได้เต็มหมดแล้วถ้าท่านจะพักอย่งไปพักเนี่ยที่ลงบูชาไฟนั่นแหะแต่ว่ามีนากอยู่ที่นั่นนะถ้าท่านจะไปพักก็พักได้แต่ว่าต้องระวังเพนาะหนักราะนมันดุนะมันเคยฆ่าคนมามากตัวมากแล้วแต่ท่านจะไปพักก็พักได้แต่ว่าท่านต้องระวังเราไม่รับผิดชอบ แล้ถ้าทําให้พักที่นั่นเราก็จะไปพักเพราท่านว่าพระนั้นทร์พุทธองค์ก็หันพพักไปก็เดินไปพญานาคเห็นท่านนนะ่ะเกิดอารมณ์โมโหอสมณะเนี่ยมันจะมาแย่งที่พักเราหรือไงมันก็เลยแสดงฤทธิ์ตรงนั้นพุทธองค์พอไปนั่งท่านก็มีอิทธิฤทธิอยู่แล้วเนี่ยเหนือนาคอยู่แล้วพุ่งกันไปพุ่งกันมาพุ่งกันไปเกือบทั้งคืนแล้วพญานาคก็ยอมหมดฤทธิ์ตรงนั้นเลยเขามากลา่าว อุลุเวลาคาสปานี่มีวัดอยู่เหนือน้ํานะนัทีคาสปาลองไปขยาคาสปาเป็นน้องสุดท้องเนี่ยอยู่สุดท้ายอย่างั้นเถอะคืออย่างแม่น้ําโขงเนี่ยอุลุเวลาคาสปาตั้งวัดอยู่อำเภอสังคมเหมือนกันเถอะนทีคาสปาเนี่ตั้งอยู่สีเชียงใหม่ปะนั้ไปขยาคาสปานี่ยตั้งอยู่ท่าบ่ออย่างนั้นะคือเป็นสำนักติดริมน้ําทั้งสามแห่งแลว้วงั้นเลยสามพี่น้องแต่นี้พุทธเจ้ามาปโปรดอุลุเวลาคาสปะพี่ชายใหญ่ครับ ตอนี้เห็นสู้กับพญานาคพวกลูกศิษย์ทั้งหลายโอโ้ยอมรับู乌鲁เวลากัสตาาก็ไปเห็นด้วยกันคล้ว่าพุ่งควันใส่กันอุตลุดเลยว่างั้นเถิดข่าวนี่แหละ<笑>สมณะศีรษะโล้นตายแน่ๆแบบนันที่ไหนได้พญานาคยอมแพ้โอ้โหสมณะนี่ไม่ใช่ย่อยคล้ายๆว่าทิฐิอยู่ในใจเนี่ยสยบแล้วเก่งขนาดนี้ได้สมณะโคดมเนี่ยูเวลากัสตาปาเกิดกว่าท่านมีวิชาอะไรที่จะชนะพญานาคได้ พระเถรองก็เลยบอกว่าเออเรามีวิชาทีเดียวแลออ้วงั้นจากนั้นรูปเวลากษัตปากาบริวารก็เลยเข้ามาเข้ามาฟังเทศ พ, ท ว, พทวกผู้ใเจ้าผู้ใจเจ้าประเทศเรื่องเนี่ยการบูชาเนี่ย<ฤ>ล า, าคักขีนาโทสักขีนาโมหัิขีนาเนี่ยไปผู้ใจเจ้าออกมาเทศนตาไปเห็นรูปเกิดอารมณ์ไม่พอใจอันนั้นเรียกว่าตาเป็นไฟตาเป็นไฟเกิดไฟขึ้นว่าโทสักขีน า, าถ้าหากว่าตาไปเห็นรูป เกิดความพอใจเกิดความรักไข่อันเนี้ยวาลาคักกนาเอีตาเป็นไฟท่านก็ไล่ไปเรื่อยแต่ตาเป็นไฟหูเป็นไฟจมูกเป็นไฟลิ้นเป็นไฟกายเป็นไฟใจเป็นไฟเนีไฟคือสิ่งที่มันมากระทบเหมือนกันท่านล้วนแล้วแต่เป็นไฟมันเผาไหม้จิตใจรู้เวลากาตาปะพอฟังเท่านั้นโอ้มันอยู่ในใจต่างหา<อ>เรื่องทั้งหลายมันไม่ใช่ออกไปข้างนอกไปอยู่ในใจท่านก็เลยปล่อยวางในใจ สำเร็จเป็นพระหรหัสมั้งนั้นพอได้สําเร็จเป็นพระหรหัสนี่ขอบวชกับพระเจ้าพระเจ้า่ เ, าอเอหีพิกขุอุปสัมปทาท่านจงเป็นพิษุมาเถิดทำเรากล่าวดีแล้วพอพูดเท่านั้นเป็นพระเลยด้ยสมัยนั้นน่ะในบทบวชเอหีพิคุเหมือนั้นเถิดจากนั้นท่านก็ลอยบริขารบริขารฤือสีเนะี่ยทิ้งลงน้ำเหมือนั้นเถอะเอาบริขารพระบ่าเนี่ยพอทิ้งลงน้ําไปบริขารลอยไ ป, ไปไปถึงไอ พญากรสปะผู้น้องชายอ้าวมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเห็นแต่บริขารลือสีของพี่ชายอีลุงตุงนังมาหมดเนี่ยมีอะไรพอได้รีบขึ้นมาหาพี่ชายไปงัน้นอ่ะมันเป็นเรื่องอะไรเกิดขึ้นพอมาเห็นพวกพี่ชายบวชเป็นพระหมดแล้วก็เลยเอาทําไมบวชพี่ชายบอกเอาฟังพุทธเจ้าสั่นพูดพุทธเจ้าเทศให้ฟังอีกยุคสองอีกอได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์บวชเป็นภิกษุอีกไอ้บริขารอันนั้นำลอยลงไปหาน้อง น้องก็เห็นว่าอ่าเรื่องอะไรเกิดขึ้นอีกวิ่งขึ้นมาอีกผลที่สุดบวช ท, ทั้งหมดพันกับสามองค์นะทีนี้ผมพูดให้เจ้าได้กําลังลอะไรกันเนี่ยได้ลูกศิษย์ลูกน้องพันกับสามองค์เราเหมือนกัน เ, เนถิดที่กลาว่าเป็นอาจารย์ของพระเจ้าพิมพิสารในกรุงราชสักขีแล่ะจากนั้นก็เข้าไปกรุงราชสักขีแหละท่านเข้าไปกับคนทั้งหลายเขามาโอ้เขาก็จําได้นี่ว่าไอือู้เวลานาทีขยะกระตับปาน เป็นที่ยอมรับกองเขานะเขาไปเห็นโอ้ท่านทําไมเปลี่ยนยูนิฟอร์มใหม่เปล่ า, ากันนะเนี่ยจากนั้นก็พกุทธองค์ก็มานั่งพิชสูตรต่างๆก็นั่งลอง้ลอมรอบแต่นี้พอพระเจ้าพิมพิสารมาเข้ามากราบมาก็มาเห็นอรู้เวลากระสปะให้ตีกระสปะกับศิทธะว่างั้นะก็คิดขึ้นในใจเอะฤษีกับศิทธะเนี่ยใครแน่กว่ากันใครเป็นผู้ใหญ่กว่ากันทําไมมาด้วยกันอย่างนี้ ถ้าทำให้สงสัยว่า ง, งั้นเถอะสนเทในจิตใจว่าใครเป็นอาจารย์กันแน่พระพุทธองค์ก็เลยบอกว่าเอ้ยรู้เวลานาทีลุกศี์ของท่านข้องใจเพราะฉะนั้นควรจะทําให้พวกเขาหายข้องใจซะเพอว่าฉะนั้นครับผมกับผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันพอจากนั้นขึ้นก็เหาะขึ้นบนอากาศเหาะขึ้นสูงเท่าลําตาลต้นปลายตานึนานนงลงมากลาบกราบเท้าพระพุทธเจ้าว่ะ พระพุทธเจ้าโคตมะเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าจากนั้นก็กราบแล้วก็เหาะขึ้นไปสองต้นลำตาลสต้นลำตาลกราบลงมาอีกกาบพระพุทธเจ้าสามครั้งประกาศให้คนทั้งหลายทราบว่าอุลุเวลานาทีขยานเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นใหญ่ตอนนี้พอตอนั้นมาคนทั้งหลายก็สยบเลยตอีโอ้ขนาดว่าเรานับถือชดินทั้งหลายว่าเป็นอาจารย์ ขนานึงพวกชจดินยังสยบ ก, กับพระพุทธเจ้าอีกอย่างนั้นจากนั้นพระองค์ก็เลยเทศให้ฟังมนาะพวกท่านทั้งหลายจงตั้งใจฟังเราจะเทศให้ฟังจากทั้นเิดเทศในกุงราชคือเป็นครั้งแรกนะถ้าบอกคนได้สำเร็จว่าอารลาหารันสักคาคามีพระโสดาบันอนณาคามีเนี่ยถึงพระไตรชนานาครบเนี่ยรวมละสิบเอละหุดมนันสิบเอ็ดละหุดเนี่ยมัน พอามาไล่เลียงกันดูแล้วประมาณล้านกว่านะล้านหนึ่งแสนหรืออะนี่แหละเนี่ยคนที่ได้สําเร็จในคราวนะั้นเป็นประวัติการก์ น, นอย่างนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็เลยกาบประราดธนาถวายวัดป่าเ ว, วเ ร, ร, รวเวุวันเป็นครั้งแรกพุทธองค์ก็รับวัดป่าเวรุวันเป็นครั้งแรกนะอันนี้คือความเป็นมาของวัดอย่างนั้นแต่พระเจ้าพิมพิสารเป็นผู้ถวายวัดก่อนเพื่อนที่ตั้งพระพุทธศาสนาในวัดป่าเวรุวันกรันดปุตตะเป็นที่อยู่เป็นที่ให้ อาหารเป็นที่ให้เหยื่อกระแตอย่างนั้นนี่แหละความเป็นมาของพระพุทธศาสนาเรื่องวัดวาศาสนาก็เป็นมาอย่างนั้นแหละจากนั้นก็มีวัดอื่นๆขึ้นไปเรื่อยๆกว่างบางแแบบางแต่อย่างวัดเมืองไทยของเราเดี๋ยวนี้ก็มีมากบางคนก็สงสัยว่าวัดบ้านกับวัดป่าในวัดไหนเกิดก่อนกันตามไม่จริงเป็นวัดป่าได้พระพุทธเจ้าไปอยู่วัดป่าเป็เวลู่วันกัลันดปุตธะ ใกล้ๆว่าเป็นป่าไม้ไผ่พรงนั้นนะเบลุวันป่าไม้ไผ่ในกรุงราชคฤหนะ์กัลันดาุตธเป็นที่ให้เหยื่อะกระแตของพระเจ้าพิมพิสารคือไอ้เวลุวันตรงนี้นะเป็นป่าที่พระเจ้าแผ่นดินสงวนเอาไว้ก็มีเป็นป่าไผ่ป่าอะไรทีนี้พระเจ้าพิมพิสารเสด็จไปอยู่ที่ป่าไผ่ก็มีบริวารมากต่างคนต่างไปเที่ยวแต่นี้พระเจ้าพิมพิสารก็นอนหลับพอนอนหลับทีนี้ งูหอมก็เลื้อยเลื้อยมามันมาเห็นพระเจ้าพิมพิสารนอนของคงจะกัดมั้งเทนี้กระแตมันก็ร้องเครื่องนั้นพระเจ้าพิมพิสารสะดุ้งขึ้นมาตื่นตื่นขึ้นมาเห็นแต ง, งูเลื้อยเข้ามาจะถึงตัวแล้วก็เลยกระโดดหนีว่างั้นเถ อ, อะเออพระเจ้าเป็นดินกระโดดหนีเทนี้บริวารก็ไม่มีท่านบอกโอ้ถ้าว่ากระแตไม่ทวงอะไรขึ้นมาเนี่ยเราต้องโดนงูกัดแน่ จากนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็คิดถึงบุญคุณของกระแตว่างั้นเถอะก็เลยเป็นที่ให้เหยื่อกระแตที่เวลุวันวัดป่าเวลุวันกาลันดาปุตตะว่างั้นเถอะอันนี้คือความเป็นมาของวัดเวลุวันนะอากนั้นพอพระพุทธองค์ไปกรุงราชคือก็เลยมอบวัดป่าเวลุวันแห่งนั้นถวายพระพุทธเจ้ายัว่าเป็นวัดป่าจากนั้นก็วัดต่างๆก็เป็นวัดป่าแต่ทําไมมันกลายเป็นวัดบ้านก็เพราะว่าพอเป็นสร้างขึ้นมาก็มี ชาวบ้านขยับเข้ามาเรื่อยๆอย่างวัดปานาคําน้อยของเราเนี่ยแต่ก่อนไม่มีเลยบ้านนาคังนี่ยแล้วนี้ก็มีบ้านนาคังทั้งหลังลมีบ้านห้วยเวียงงามอีกแล้วเดินเนีขยับทั้งนั้นขยับคน เ, นเอาไปมากล่วัดของเราก็เลยล้อมรอบด้วยหมู่บ้านเหมือนนเถอะแต่ถ้าว่าวัดแคบนะวัดเพียงสี่ห้าสิบไร่นี่ไม่น่าอยู่แล้วงั้นเด้อเพราะว่าชาวบ้านเข้ามาชิดเกินไปเสียงมันไม่สงบไม่เหมาะแก่การภาวนาภาวนาในสองการความสงบเงียบ สงบเท่าไรยิ่งดีไม่มีอะไรกัอนนั่งภาวนาดูจิตดูใจของตัวเองกําหนดพุดโทโธพุโทโธในการเคลื่อนไหวของจิตจิต ค, คิดเรื่องอะไรนี่ยคือการภาวนาให้จิตให้อยู่ในความสงบคือให้อารมณ์เป็นหนึ่งเวลากําหนดลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธพุโทโธพุโทโธพุทโธคือให้อารมณ์เป็นหนึ่งไม่ให้มีอารมณ์อะไรเข้ามากระทบ ถ้าว่ามีเสียงคู่เสียงคนเสียงอะไรเข้ามาเนี่ยมันก็วัดไปหาเสียงอ่ะเนีมันไม่สงบเพราะฉะนั้นผู้ที่ฝึกหัดใหม่ไม่ต้องหาที่สงบนะอยู่ในป่าอย่างนี้นเหมาะอยู่ในป่าในถ้ำในเหวในที่สงบสงัดหลีกเล่นอยู่ตามลําพั ง, งนะะหลวกพระกรรมฐานพระลูกศิษย์พระพุทธเจ้าท่านแนะนําอย่างนั้นให้อยู่ในป่าแต่ต่อมาก็พอสร้างวัดขึ้นมาแล้วก็มีผู่ขนเข้ามาส่าง บ้านสร้างเรือนเข้ามามันก็กลให้เป็นวัดบ้านไปเพราะนั้นถ้าจะพูดไปแล้ววัดป่ากับวัดบ้านวัดไหนเกิดก่อนกันเราต้องวัดป่านะมีตำรับตำราอ้านเิงด้วยว่า ง, งั้นเถอะแต่วัดบ้านพอวัด ต, ตั้งแล้วมันขยับไม่ได้นียแต่คนขยับเข้ามาได้นะคนก็าานอล้อมรอบก็เป็นวัดบ้านไปเออตอนนี้ไปอโนุโมทนานะให้พรนะที่นี่นะพูดยาวไปยาวไปหน้าเลย อย่างน้อยก็พวกเราได้รู้จักว่าวัดวา ศ, าศาสนาเนี่เป็นมาอย่างไรนะเริ่มแรกอย่างนั้นเถอะยะถาวาริวหาปราปริปเร